วิธีสวดสมรภาทและกรรมวาจาสวดสมรพาทภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสง์พึงสวดสมรพาทภิกษุณีนั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่า671แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีเช่อนี้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกสง์พร้อมเพียงกันลงโอเคปนิยกรรมโดยธรรม โดยวินัยโดยสัตว์ศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงยังไม่รับรองยังไม่ได้ทําภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสายเธอไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมเพียงกันแล้วพึงสวดสมรุภาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีนี้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงพร้อมเพียงกันลงอุเคปณียกรรม โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทาภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายเธอไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมรพาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรพาพภิกษุณีนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้ภิกษุณีชื่อนี้สงสวดสมรภาทเพื่อให้สละเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยติต้องอวบทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอวตธุรใจจบก ร, รมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบับปาราชิก คำว่าภิกษุณีแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีถูกสงส่วนสมรพัดจนครบสามครั้งก็ยังไม่ยอมสละเธอย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสกยธิดาเปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก ค, คำว่าหาสังวาดไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาดได้แก่กรรมที่ทําร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาดสังวาดนั้นไม่มีกับภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาดไม่ได้